อันนี้ลากา ย, ยังไม่ปกติเองค อ, อยังไม่ปกติาออักเสบยัยังไม่ครบดูเพิ่งรู้ความหมายว่าไม่ปูกมากเจ็บคอเป็นยางไ้บ้าง เมื่อค่อนจะปุ่นเล่นกันไม่อยากปุ่มากเจ็บคอตอนนี้เจ็บคอจริงๆแล้วอน่อานเรีย น, นพระที่สอบของเดือนรอาสุดท้ายของเดือนสาเดือนไทยกเดือนสาเดือนสามเป็นเดือนของความรักกําลังจะผ่านแต่แล้วอย่างที่เราทํามา วันสองสาม ง, งานก็เกี่ยวตายทั้งนั้นนั่นความตายจึงเป็นปลายทางของพวกเราหรือว่าการสิ้นสุสดการเดินของพวกเราตัชีวิตนี้ต้องจอ้ในขณะที่กันที่สุดแห่งทุกข์มันยังไม่เกิดขึ้น มันเป็นที่สุดาการเดินทางที่มันจบการเดินทางเฉพาะระยะยาที่เราเกิดมาคนแต่มันไม่ได้สิ้นสุดเพราะการสิทธุกุศลแนะชี้เราก็ตามโดยวันทา ง, งที่เราเดินคือศีลสวัสธิปัญญาแต่ว่าปลายทางต้องเป็นเรื่องของ การเส้นไปทุกในกรรมาตของพระองค์เหมือนทุกในกรรมาตพระองค์มีสามทางสามเรื่องคือเกี่ยวกับตัวเราเท่านั้นไม่เกี่ยว ก, กับอื่นนายพูถึงทกให้นึกถึงตัวเองในขณะเดียวกันเรื่องทุกคนอื่นก็อย่ามาแบกบเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกัน ไปทุกของตัวเองเริ่มต้นจากนเรื่องของรูปรางเรียกว่ากายการทุกข์ทางกายอันนี้นทุกข์ภายนอกการสรุปง่ายๆ ก, ก, ก, ก, ก็ทุกข์ภายนอกกับทุกข์ภายในนี่คือทุกข์ของกายเป็นแรกอันนี้พวกเราค่อนข้างจะเห็นว่ามื่อกายมันทุกข์เมืเ่อไหร่แต่มันไม่เข้าใจมันแยกไม่ออกได้บอกว่าทุก เป็จิตมันไม่รู้มันทุกองอะไรทุกข์องกายก็อย่างที่เราเป็นอยู่ตอนนี้่าจะมากระทุกของกายมันเป็นริยาการของกายไม่เกี่ยวกับใจกายนั้นเมื่อเกิดปัสสาวะเกิดเวทนาเจ็นร้อนอ่อนแข็งตามธรรมชาติที่มันแปรปรวนไปในทุกข์กายทุกข์ของกายกคือตุกองดินน้ำไปลม ทุกข์ก็ดินทุกข์น้ําทุกข์กไฟทุกข์กับลมมี่สามทุกข์กันธาตดินน้ําไฟลมผสมกันแล้วไม่ลงตัวไม่สมดุลมันมากไปธาตดินมากไปธาตไฟมากไปธาตลมมากไปธาตน้ํามากไปอาจิตเกิดความไม่สบายในภาษาทางพระไม่สบายเร า, า, าเรียกว่าทุกข์คืออยู่ยากอยู่ลําบาก ทนไม่ได้เนื้อทุกกายทุกที่สองคือทุกของสังขารไม่เป็นเรื่องของสังขารสังขารมันไม่เที่ยงมันอยู่อย่างนี้ไม่ได้บ้านองคไม่ได้โดยทั่วทั้ท่านมุ่งไปที่ที่เกิดผลกังทุกก็คือท่านมุ่งไปที่ความปรุงแต่ง คาว่าสังขารไม่ได้เกี่ยวารายรรกร่างกายเป็นรูปร่างแต่มุ่งไปที่การปรุงกันแต่อย่างนี้ก็เรียกว่าทุกข์ใจคือเราปรุงแล้วมันพุกเองมันข้าวปล า, ารเราน่าจะเอาบทเรียนจากข้าวปลาอาหารมาเป็นบทเรียนในการในชีวิ ต, ตวยอะไรที่มันมากไปที่มันไม่ลงตัวเช่นหวานมากไปเค็มมากไปเปรี้ยวมากไปจัดมากไป เขาเรียกไม่ลงตัวถ้าเรากินอาหารอย่างนี้มันก็ไม่อร่อยร่างกายของเราหมดสังขารเรามั น, นถ้าเราไปปรุงอะไรที่มันมากไปเกินไปมักทุกข์หเพื่อไม่สบายส่วนใหญ่ก็ปรุงปรุงจากความทุกข์เราแต่เราก็แยกไม่ออกว่าทุกข์นั้นเป็นทุกข์ของอดีตทุกข์ปัจจุบันทุกอนาคตเพราะอะไรเพราะสติปัญญา เราสติปัญญาเราน้อยสุด้าก็ได้แต่บรมมาทุกโดยไม่รู้ตัวเองว่าทุกาตัวเองคิดเองตัวเองสร้างขึ้นมาเองจากความคิดเองเนี่ยทุกตัวสังขารสังขารมาจากกัรปรุงแตง่งเพื่อร่างกายแต่ทุกตัวที่สามมันเกิดจากการแปรปรวนธรรมชาติของร่างกายนี่หละเช่นขวบแก่มาเยืนสมายหนุ่มสมัยสาวก็เดินเหินข้องเต้าว่างไว้ โรภคภัยไข้เจ็บในเด็กเพียนพออายุเยอะขึ้นมากขึ้นห้าสิบหกสิบเลขหกละมันเริ่มปรากฏอาการมีอาการสาระมันบงบอกเร็วพยามามมันมาบอกต้องเร่งนะต้องเร่งทำความดีนะแต่ประมาทในชีวิตในวัยว่าก็ไม่ตายงไงไม่ได้พวกเขาเลขเจ็ดที่อันตรายถ้าใครผ่านเลขเจ็ดไปแล้วขึ้นเลขแปดก็ยังชั่วนะ ทุอย่างว่าจะดีขึ้นพอเล็กเ้าเข้าไปก็เอาแล้ ว, ลวสบายแล้วนั่งกินนอนกินนั่งเล็กเก้าถ้าอยู่ไปเลยจะนั่งไปก็คือไม่ถ่าจะเกิดประโยชน์อะไรเลยคนใครที่ปรารถนาอายุยืนคนอื่นเราปรารถนาสุขภาพกายสุขาใจแข็งแรงก็ออย่าไปเอาแค่อายุยืนอย่างเดียวอี่ลืมไป ผลปวงของการยุยืนที่ตามมามัน เ, อเยอะแยะมากมายปัญหาสารพัดนี่รวมๆเรียกว่าทุกข์มีกรรมหมายการรมว่าทุกข์อันนี้เราบอกถึงว่าทุกข์มันสาเหตุมาจากอย่างนี้ครับพระเจ้าก็สอนพวกเราต่อบ ว, ว่าทุกข์มันมีสาเหตุ ข, ของมันทุกข์มันมีผลของมันพระเจ้าคาเราถอยออกหางให้มาดูว่าเออที่ทุกข์มันมาจากเหตุ แล้วมันก็มีผลของมันมทุกเพราะคําคว่าทุ ก, กันนี้พระเจ้าบอกว่าถ้ามนุษย์เรามีเหตุมีผลมีความจริงหมายความอาศัยเหตุและผลและความจริงทุกคนตัวทุ ก, กนี่เป็นตัวผลไม่ใช่ตัวเหตุเป็นตัวเหตุคือตัวสมุทยัยทีพ่พระเจ้าตรัสความจริงสี่อย่างสมุทัยคือความอยากความต้องการ ภาษาเราหยาบๆง่ายๆนี่คิดถึงกา ร, ร, ารตรหนัพราว่าถะหนักวิวัฒนากานั้นปริยัติพูดง่ายคือความต้องการถาความต้องการของมนุษย์มีที่สุดไหมคอามอต้อการเกิดจากอะไรเกิดกับความยึดความอยากมันมันอยากมันก็นยึดเอาไว้ยึดตัวอย่างแม้แต่ตัวเราเองไม่ยไม่พูดถึงคนอื่นยังมาถึงปัจจัยภายนอกที่เรายึด พอยึดเส็แล้วก็ถือประมาท่าจึงเรียกสิ่งนว่าอุปาทานเกิดจากการยึดถือหรือกับอความต้องการความต้องการของมนุษย์มันไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่จุดจบของการต้องการเพราะนั้นเราควรจะแยกออกแยกออกให้เข้าใจอยู่เสมอว่าระหว่างความต้องการกับความจําเป็น อันไหนเราควรจะพิจารณาก่อนสมมติเราจะซื้อของสักอย่างจะซื้อรถใหม่จะซื้ออะไรก็แล้วแต่เราพิจารณาว่าเออรถของเราที่มีอยู่มันก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ถ้าออกความต้องการมันก็จะซื้อในเกิด ค, ความอยากความต้องการแต่ถ้าความจําเป็นมันไม่จําเป็นเราต้องเลือกเอาระหว่างว่าความต้องการกับความจําเป็นเราจะเลือกตัวไห น, น แต่ถ้าเรื่อความต้องการเนี่ยมันไม่มีสิ้สุดเลยแต่คันที่สองขันที่สามันที่สีก็จะตามมาก็ต้องบอกมันว่ามีสิบคันก็ขับทีละคันไม่ได้ขับพร้อมกันสิบคันอย่างนี้มันก็อยู่ตืได้มันก็จะปรามมันได้เสื้อผ้าอภรรตมีเป็นสิบยี่สิบชุดก็ใส่ทีละชุดนาฬิกามีสิบเพือนยี่สิบเพือนก็ใส่ทีละเร ไอ้ใจแค่อันนี้คือคําก็จําเป็นต่อคํามต้องการมันต่างกันอย่างนี้และที่สําคัญก็คือนี่แลเป็นต้นต่อของคําว่าทุกต้นเหตุของคำว่าทุกนี่เราเราเข้าใจสองคำแล้วคือเหตุกับผลผลคือทุกเหตุคือความต้องการนี่แหละก็จริงข้อที่สองข้อที่สามพี่โดทําไมถึงมันติดใจด่า ประเด็นี้มันถึงจะดับก็ไม่เกิดกับเราดับชั่วครัง้งชั่วคราวก็ยังดีคือระงับดับในเบื้องต้นก็หาวิธีทุกสดุดท้ายทนนี่รอดท่นานเจริญวิริยนิโรธดับดับทุกข์อือวิธีการในการดับทุกข์นี่คือสิ่งที่พระเจ้ญญาตรัสไว้พวกเราโอ้หมดแล้วไม่มีใครไม่รู้ไม่มีพูดวาเรียสสีพวกเราเข้าใจพแต่ว่าเจอในชีวิตจริงๆไม่รู้ ก็คือปัญหากับพวกเราเพราะฉะนั้นคําสัมคำคำง่ายๆคําบางอย่างถ้าเราไม่โอปนาญโกคือไม่น่ากางวลเช่นเริ่มต้นวันนี้คำว่าทุกเริมต้นในคำว่าตายเราไปคิดต่อมีใครที่ไม่ไม่ตายมีใครได้ไม่ทุกข์มีไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ยิงไม่ได้เกิดขึ้นกับเราคนเดียวปัญหทุกอันนี้ ก็ให้เข้าใจว่าเป็นทุกข์ของใครของมนันทุกข์ของใครของท่านต่างคนต่างทุกข์อย่าไปแบกทุกข์ทุกข์ที่มีอยู่มันมากพอเลยเราจะ ก, กําจัดมันไม่ได้อย่างไรครับมไม่ได้เอาทุกข์ของอื่นมาแบกอีกเร่อเรียอเป็นภาระพระราชิตาสุดท้ายหมดลมหายใจหมดลมหายใจก็แปลว่าดินน้ําไฟลมมันทําหน้าที่ไม่ได้ จิตเราก็ออกจากร่างเรื่องกายหมดไปแล้วทีนี้เรื่องจิตมันจะไปไหนต่อจิตตอนเรานึกอะไรไม่ออกเลยนะนึกคือความเป็นจริงในชีวิตประจาวันของเรา <T> คือกลางวันกับกลาง ค, ค, คืนกลางวันน่าจะได้ว่าพูดถึงความเป็นกลางคืนพูดถึงความตายหนึงหายมาก <T> ความเป็นที่เราไม่อยู่เนี่ยมันสว่างความจริงมันไม่ได้เงี เราอยากเป็นอะไรเป็นได้หมดเราอยากเห็นอะไรเห็นได้หมดเพราะมันสว่างเวลากลางวันส่วนกลางคืนทำอะไรไม่ได้เลยตาทำอะไรไม่ได้โอ้ทำอะไรไม่ได้ไไไดปากทำอะไรไม่ได้เลยก็เรียกว่ามืดทำอะไรไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้มีความดีความชั่วเกิดขึ้นเลยนั่นแหละคือผลของความตายชีวิตหลังความตายทีนี้ในกระที่ความเป็นอยู่คือกลางวัน เราจะทําอะไรก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้ในขณะที่กลาคืนเหมือนกันเมื่อจิตออกจากร่างไปมันเหลือสี่ตัวเมื่อที่เรานอนนอนหลับเรามีหูมีตามีปากทําอะไรไม่ได้มันเหลือสี่ตัวส่วนตัวรูปนั้นมันแค่ดํารงขันอยู่เท่านั้นเองคือมันจิตครองร่างอยู่จิตครองร่างหมายว่าจิตมันยึดอยู่ในขณะที่จิตมันยึดนั้นมันเป็นเรื่องของภายใน ภายในสีตัวมันทำงานคือเวทนาสัญญาสังขารวิญาณมันทำหน้าที่เพราะฉะนั้นมันทางตามเห็นไม่ได้หูได้ยินไม่ได้ปากพูดไม่ได้มันก็อาศัยความจำดรวยจิตใต้สํานึกที่มีอยู่ออกมาทํางานเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วมันไม่มีรูปอยู่อาศัยรูปอะไรก็อาศัยรูปรูปหยาบที่มันจําที่มันจําเอาไว้ มันจะอยู่ด้วยกยันเขาเรียกว่ามโนภาพคือภาพเกิดขึ้นจากข้างในหมายความว่าในขณะทัศนจิตมันนึกมันปรุงมันแต่งถึงอะไรนึกถึงอะไรภาพสินั้นก็จะออกมาเช่นนึกถึงควายก็จะปรากฏภาพเป็นควายนึกถึงแมวท่าออกมาก็จะเป็นแมวเพราะจึงเรียกสิ่งนั้นว่ามโนภาพคือภาพทางใจนี่คือนอนะแต่ถ้าเป็นนั่งนั่งสมาธิ เราเรียกสิ่งนั้นว่านิทคือเครื่องหมายอันที่สำคัญในขณะที่เรานอนเราไม่รู้แล้วก็จะเไปธนาไปเราไม่รู้เรื่องเลยมันเจ็บมันปวดมันสุกมนทุกข์ไม่รู้อันนี้คือความสาัมพันระหว่างกวาเป็นกับความตายอย่างระหว่างกลางวันกับกลางคืนมันแตกต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อกลางคืนมาเยือนหมายความความมืดมาเยือนจิตใจของเรา จะทาอะไรไม่ได้เลยมองอะไรไม่ได้เลยเห็นอะไรไม่ได้เลยเพราะเจิตมันมืดจิตมันบอดนะเพราะนั้นในขณะที่มันสว่างอยู่มนันก็น่าจะเราเป็นอยู่ในขณะที่เป็นกลางวันแต่ในอะไรแล้วโวยโวยขณะที่โกเกิอ น, น, น้อมตาตัวเองเพื่ประโยชน์จากแสงสว่างแสงสว่างนี้เกิดขึ้นจากภายในคือปัญญาของตัวเราเองเราจะเห็นหมดกลางวันขอเห็นกลางคืนก็เห็นเพราะสิ่งที่เห็นเราเห็นด้วยปัญญา ไม่ได้เห็นด้วยด้วยตาเขาเรียกไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อตาหนังแต่เห็นด้วยตาในคือปัญญ า, ากานั้นการปฏิบัติของเราก็ต้องการให้เราเห็นด้วยปัญญาด้วยตนเองให้มีใครทําให้เราเห็นได้น่าเตัวเราทุกลากเราทุกคน อ, อ, อย่าประมาทในชีวิตในวันหนึ่งเมื่อการเดินทางของร่างกายของเราสิ้นสุดลงมันคสุดแค่ร่างกายเท่านั้นนะแต่จิตมันไม่ได้สิ้นสุด มันไปต่อไอ้ความฝันนั้นมันไปต่อมันไปกับความฝันนั่นแหละอไปกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือก็สี่ตัวยหญ่ที่เราสวดกันกันห้าขันหนึ่งขันสี่ขันสี่ก็ื อ, อ น, นี้แหละคือสี่ตัวอะไรต้องไปขันหนึ่งคือมุ่งปวิญญาณกันห้าคือร่างกายครบดังนั้นในขณะที่ร่างกายเราก็สมบูรณ์บริบูรณ์ซึ่ง คนอื่นวิธีอื่นเขาไม่มีอย่างเรามีมีแต่ว่าเกิดจากมโนภาพก็ไม่ได้เพราะนั้นมันจึงละตอนปล่อยวางไม่ได้คือปฏิวัติอย่างผู้หล่อไม่ได้พูดเจ้าท่านบอกว่ามนุษย์ตายไปแล้วที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ได้ถ้าเ ป, เปรียบเป็นแผ่นดินมือนกบฝุ่นหมนละอองหมดผู้ลี้น้อยมากจะเป็นแผ่นดินบนโลกวันนี้นะเทวดาเหมือนกัน ที่ตกเกิสว่างไรจะกลับมาเป็นมนุษย์ยากยากมามากๆนี่เดียวส่วนนรกเปรตจุรก า, ายไม่ต้องรู้ถึงเลยกลับความน้อยมากึนน้อยมากๆยังน้อยธรรมดาถ้าเตียบเป็นแผ่นดินก็เท่ากับแผ่นดินทั้งโลกหมายว่าก็จะกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมเน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยยาก เพราะว่าจิตของเรามันต่ำกว่ามนุษย์คำว่าต่ำกว่ามนุษย์ก็แปลว่าจิตมันไม่มีสินสักตัวเลยปานาเดียปาตาไม่รู้จักอตินนาธานาไม่รู้จักโตตุมสุราเมรยาไม่รู้จักเช่นสัพสัตทั้งหลายจ้างมา้าวัวควายเขาไม่มีสักตัวเลยนี่คือเหตุผลทําไมที่ว่าบินยากที่จะมาเป็นคนมันยากตรงนี้แหละเพราะว่าสินมันไม่ครบสินมันไม่มี ดันั้นศีลจึงเป็นบรรทัดฐานจึงเป็นพื้นฐานที่ทางเราอยากน้อยที่สุดก็คื อ, คอได้กลับมาเป็นคนเป็นมนุษย์เพื่อปอมเป็นเพื่อสร้างบารมีเพื่อต่อยอดให้มันดีกว่าเกา่าส่วนอาชีพหน้าที่การ ง, งานก็ว่าไปตามปวดบาทอำนาจหน้าที่ส่วนภายในเรื่องศีลเรื่องธรรมสาคัญมากๆเราจะเป็นมุ่งที่หน้าที่การงานจยาเดีวยวจนลืมศีลลืมธรรมพะสุดท้ายจะดอดกระร่างแล้วจะกลับมาเป็นคน ไม่ได้นะโอลำบากแล้วจะไปสิงอยู่ในร่างอื่นลำบากเพราะนั้นจิตของพวกเราทุกคนมันเป็นมาหมดแล้วนะมันไปนอยู่มาหมดแล้วนะอย่าไปคิดว่าเราไม่ได้เป็นของพวกนั้นเป็นมาหมดแล้วไม่เป็นเทวดาสปรปปะสัตว์ต่างแล้วเป็นมาหมดนี้วเพราะนั้นเกิดยกระดับขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่วัดถึงสุดยอดออกมาเพราะนั้นจะประมาณในวัยในชีวิต อันนี้คือธรรมะสั้นฝากเราสำหรับเช้าวันนี้เพือเป็นอกันนั่้องูาโกตัวเองจะได้ประโยชน์ประโยชน์ตนประดาประโยชน์ผู้อื่นก็ไดนก็อย่างยิ่งคือปรยชนภายในก็ไดาถ้าประโยชน์สั้งอย่างนี้เขบเกิดมาเป็นคนแน่นอนเพราะนั้นอย่าลืมเกิดมาแล้วตัวเองต้องได้ประโยชน์จากการเกิดแต่ผู้อื่นก็ได้ประโยชนจากการเกิดกับพวกเราเด่นสำคัญย่งิ่งคือประโยชน์อย่างยิ่งอยู่ภายในผ่างเกิดภายในพวกเราก็ต้องเป็นที่ตั้งเป็นที่มุ่งเป็นที่หวาด บอกพวกเราเป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนอย่าท้ออย่าถอยเดินสู่เป้าหมายปลายทางสู่พระนิพพานทุกคนเพราะนั้นอยู่แบบโลกไ็ให้เข้าใจเรื่องโลกอยู่แบบธรรมก็ให้เข้าใจเรื่องธรรมถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วความเจริญนี้จะเกิดขึ้นขออนุญาได้ไหความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกทางเดอ